ผมได้มากราบท่านไม่เคยขาดเลยเป็นระยะเวลานานเกือบ20ปีแล้วจากวันนั้นมาผมไม่ได้ใส่บาดแล้วแต่ถือกระป๋องแทนโดยคอยเดินรับของที่ถ่ายออกจากบาดหลงตาเมื่อบาดเต็มแล้วก็เทใส่กระป๋องเดินตามหลังท่านต้อยๆทำแบบนี้ทุกวันทุกวันและจึงค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นไปรับบาดจากท่านเมื่ท่านบิดบาศเสร็จแล้วขากลับก็มีคนถือบาดให้ท่าน